บรรดาคำเหล่านั้นคำว่านังเป็นเพียงนิบาทคำว่าขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นปังสุกุลทิตาได้แก่เปรอะเปื้อนด้วยฝุ่นคำว่าต้อนรับแม่ปัจจุคตามังได้แก่คอยรับเราปาฐะว่าปัจจุคันตุงดังนี้ก็มีความว่าต้อนรับคำว่ายกหู อกกันนาความว่าเหมือนพวกลูกเนื้อตัวน้อ ย, อยเห็นแม่ก็ยกหูชูคอเข้าไปหาแม่ร่าเริงยินดีวิ่งเล่นอยู่รอบๆอบข้อว่าวิ่งมาต้อนรับแม่เรากับจะทำให้หัดไทยของแม่วันไหววัตมานาวะกัมปเรความว่าเป็นไปราวกะยังหัวใจของแม่ให้ยินดีเมื่อก่อนลูกทั้งสองของเราเป็นอย่างนี้ คำว่าวันนี้นั้นตายัตยชะความว่าวันนี้แม่ไม่เห็นลูกรักทั้งสองนั้นด้วยข้อว่าดังแม่แพะและแม่เนื้อละลูกน้อยๆชะคิลีวะมิขีฉาปังพระนางมสีกล่าวว่าแม่แพะแม่เนื้อและแม่นกที่พ้นไปจากรังคือกรงและแม่ราชสีตัวอยากได้เหยื่อ ละลูกน้อยของตนลีกไปหาเหยื่อฉันใดแม่ก็ละลูกน้อยทั้งสองออกไปฉันนั้นข้อว่านี้เป็นรอยเท้าวิ่งไปมาของพระลูกน้อยทั้งสองอีทังเนสังประรักกันตังความว่ารอยเท้าที่วิ่งไปวิ่งมาในสถานที่เล่นของลูกทั้งสองยังปรากฏอยู่ดุดรอยเท้าช้างที่เนินเขาในฤดูฝน คำว่ากองทรายจิตกาได้แก่กองทรายที่ลูกทั้งสองกองเข้าไว้คำว่ากองเล่นเรียรายปริกินนายโยได้แก่กระจัดกระจายคำว่าวิ่งเข้ามาล้อมแม่อยู่รอบข้างสมันตามะพิทาวันติความว่าวิ่งเล่นอยู่รอบๆอบในวันอื่นๆคำว่าเคยต้อนรับ ปจุเทนติได้แก่ต้อนรับคำว่าผู้กลับมาแต่ไกลทุระมายะติงได้แก่ผู้มาแต่ไกลข้อว่าเหมือนลูกแพะหรือลูกเนื้อสายชักคิลีวะมิคีฉาปาความว่าเห็นแม่ของตนแล้ววิ่งมาหาเหมือนลูกแพะเห็นแม่แพะลูกเนื้อเห็นแม่เนื้อข้อว่า เออก็นี่เป็นเครื่องเล่นของลูกน้อยทั้งสองอิทันจะเนสังกีระนังความว่าผลมะตูมมีสีดังทองนี้เป็นของเล่นของลูกทั้งสองซึ่งเล่นตุ๊กตาช้างเป็นต้นกลิ้งตกอยู่แล้วคำ ว, ว่าของแม่นี้ไมหิเมความว่าก็ถันทั้งสองของเรานี้เต็มด้วยน้ำนมข้อว่า และอุระประเทศของแม่ดังหนึ่งว่าจะแตกทําลายอุโรจะสัมปทาลิภิได้แก่และหาทไทยเหมือนจะแตกข้อว่าเคยวิ่งมาเกาะที่ชายพกแม่อุด จ, จังเกเมวิวัตตันติได้แก่ห้อมล้อมเกาะชายพกของเราข้อว่าปรากฏแก่เราดังว่านี้มหรสศพ สัมมัถโชว์ปฏิภาติมังความว่าปรากฏแก่เราเหมือนโรงมหรสพคำว่าเตยัตยชะวันนี้นั้นตัดคำเป็นเตอัจชะคำว่าเมื่อแม่ไม่ได้เห็นอปัสสันตยาได้แก่เราไม่เห็นอยู่คำว่าเหมือนดังจมุนเวียนพะมะเตวิยะความว่า ย่อมหมุนเหมือนจักของช่างม้อคำว่าฝูงกาป่ากาโกลาได้แก่ฝูงอีกาในป่าคำว่าจักตายเสียแล้วเป็นแน่แท้มะตานูนะความว่าจักตายคือจักถูกใครๆนำไปแน่คำว่าแม่ฝูงนกสกุณาปิได้แก่ฝูงนกที่เหลือคาว่า จากตายเสียแล้วเป็นแน่มาตานูนะความว่าจากตายเสียเป็นแน่แล้วพระนางมัซีพิลาบรมพันอยู่ด้วยประการชนิสเสด็จไปเฝ้าพระเวสสันดรมหาสัตว์ปรงกระเช้าผลไม้ลงเห็นพระมหาสัตว์ประทับนั่งนิ่งอยู่เมื่อไม่เห็นพระโอรสธิดาในสำนักพระภสดาจึงทูลถามว่านี่อย่างไร ฟาพระบาทจึงทรงนิ่งอยู่เออก็ใจของหม่อมฉันเหมือนดังฝันในเวลาราตรีแม้ฝูงกาป่าก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องพระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันคงจะตายเสียแล้วเป็นแน่แท้นี่อย่างไรฟาพระบาทจึงทรงนิ่งอยู่เออก็ใจของหม่อมฉันเหมือนดังฝันในเวลาราตรี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 หรือว่าใครนําเอาพระลูกน้อยทั้งสองของหม่อมฉันไปบรรดาคําเหล่านั้นข้อว่าเออก็ใจของหม่อมฉันเหมือนดังฝันในเวลาราตรีอปิรัตเตวะเมมะโนความว่าเออก็ใจของหม่อมฉันเป็นเหมือนเห็นสุบินในเวลาใกล้รุ่งคําว่าเหล่าเนื้อร้ายมิคาได้แก่ภาละมะลึก มีราชสีเป็นต้นคำว่ารกอีริเนได้แก่ปราศจากความยินดีคำว่าร้างวิวเนได้แก่เงียบสงดคาว่าหรือพระลูกน้อยทั้งสองอาทูเตความว่าหรือว่าพระองค์ทรงไปเป็นทูตเฝ้าพระเจ้าศิวิราชนกรุงเชตุดรคคำว่า หรือว่าเข้าไปหลับอาทูสุตตาได้แก่เสด็จเข้าบรรทมภายในบนนารรณศาลาด้วยคําว่าหรือว่าของเราออกไปในภายนอกอาทูพหิโนพระนางมัซีทูลถามว่าหรือว่าลูกทั้งสองของเราเหล่านั้นควนขวายในการเล่นออกไปข้างนอกข้อว่าเส้นพระเกศาของพระลูกน้อยทั้งสองนั้น ไม่ได้ปรากฏเลยเนวาสังเกษาทิสันติความว่าข้าแต่พระสวามีเวสันดรเกษาสีดอกอันชันดาของลูกทั้งสองนั้นไม่ปรากฏเลยพระหัตและพระบาทซึ่งมีลายตาข่ายก็ไม่ปรากฏข้อว่าหรือว่านกทั้งหลายมาโฉบเฉี่ยวเอาไปสกุณานานจะโอปาโตความว่า ในหิมวันตะประเทศมีนกหัสดีลิงนกเหล่านั้นบินมาพาไปทางอากาศนั่นแหลด้วยเหตุนั้นหม่อมฉันขอถามพระองค์ว่าลูกทั้งสองถูกนกเหล่านั้นนาไปหรือหรือมีนกใดอื่นนอกจากนี้ซึ่งเป็นราวก่าว่านกเหล่านั้นโฉบเอาไปขอพระองค์โปรดบอกลูกทั้งสองของหม่อมฉันถูกใครนำไป แม้เมื่อพระนางมาสีกราบทูลอย่างนี้แล้วพระมหาสัตว์ก็ไม่ได้ตรัสอะไรลำดับนั้นพระนางจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพเหตุใดพระองค์จึงไม่ตรัสกระหม่อมชั้นหม่อมชั้นมีความผิดอย่างไรทูลนชนี้แล้วตรัสว่าการที่พระองค์ไม่ตรัสกระหม่อมชั้นนี้เป็นทุกข์ยิ่งกว่า การที่หม่อมฉันไม่เห็นชาลีและกันหาชินาลูกรักทั้งสองนั้นในวันนี้เปรียบเหมือนแผลที่ถูกแทงด้วยลูกสอนฉะนั้นก็การที่หม่อมฉันไม่ได้เห็นพระลูกน้อยทั้งสองทั้งฝ่าประบาดก็ไม่ได้ตรัสกับหม่อมฉันนี้เป็นลูกสอนเสียบแทงหารุไทยของหม่อมฉันซ้ำสองหารุไทยของหม่อมฉันหวั่นไหวฆ่าแต่พระราชบุตร ถ้าคืนวันนี้ฟาพระบาทไม่ได้ตรัสกับหม่อมชันพรุ่งนี้เช้าฟาประบาทก็น่าจะได้ทอดพระเนตรหม่อมชันผู้ปราศจากชีวิตตายเสียเป็นแน่บรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าการที่พระองค์ไม่ตรัสกับหม่อมชันนี้เป็นทุกยิ่งกว่านั้นอีทางตะโตทุกขะตะรังความว่าข้าแต่พระสวามีเวสสันดร การที่พระองค์ไม่ตรัสกับหม่อมฉันนี้เป็นทุกข์แก่หม่อมฉันยิ่งกว่าทุกขที่หม่อมฉันถูกเนรเทศจากแว่นแคว้นมาอยู่ป่าและทุกข์ที่หม่อมฉันไม่เห็นลูกทั้งสองนั้นเพราะพระองค์ทำให้หม่อมฉันลำบากด้วยความนิ่งเหมือนเผาซ้ําเรือนถูกไฟไหม้เหมือนเอาไม้ตีคนตกต้นตาลเหมือนเอาลูกศรแทงที่แผล ด้วยว่าหาัไทยของหม่อมฉันนี้ย่อมหวั่นไหวและเจ็บปวดเหมือนแผลที่ถูกแทงด้วยลูกศรปาถว่าสังวิทโทดังนี้ก็มีความว่าแทงทะลุตลอดคําว่าหม่อมฉันผู้ปราศจากชีวิตโอกันตะสันตมังได้แก่ซึ่งหม่อมฉันผู้ปราศจากชีวิตโนอักษรในคําว่า ทักขสิโนได้ทอดพระเนตรนี้เป็นเพียงนิบาทความว่าพระองค์จะได้ทอดพระเนตรเห็นหม่อมชันตายเสียแล้วแต่เช้าทีเดียวลำดับนั้นพระมหาสัตว์ทรงดำริว่าเราจะให้พระนางมัสซีละความเศร้าโศกเพราะบุตรเสียด้วยการพูดคำหยาบจึงตรัสคาถานี้ว่าแน่มัตซีเธอเป็นราชบุตรี มีรูปงามอุดมมียศไปแสวงหามูลพลาหารตั้งแต่เช้าชไหนหนอจึงกลับมาจนเวลาเย็นบรรดาคำเหล่านั้นด้วยข้อว่าชไหนหนอจึงกลับมาจนเวลาเย็นกิมิทังสายะมาคตาพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ตรัสคุกคามและลวงว่าแน่มาซีเธอมีรูปงามหน้าเลื่อมใส และในหิมาวันตประเทศก็มีพรานป่าดาบทและวิทยาธรเป็นต้นท่องเที่ยวอยู่เป็นอันมากใครจะรู้เรื่องอะไรอะไรที่เธอทำแล้วเธอไปป่าแต่เช้ากลับมาจนเย็นนี่อย่างไรธรรมดาหญิงที่ละเด็กเล็กๆไปป่าจะเป็นหญิงมีสามีหรือไม่มีก็ตามย่อมไม่เป็นอย่างนี้ความคิดแม้เพียงนี้ว่า ลูกน้อยของเราจะเป็นอย่างไรหรือสามีของเราจะคิดอย่างไรดังนี้ไม่ได้มีแก่เธอเธอไปแต่เช้ากลับมาด้วยแสงจันนี้เป็นโทษแห่งความยากเข็ญของฉันพระนางมัตสีได้สดับพระราชดำรัส ด, ดังนั้นจึงทูลสนองว่าฝ่าพระบาทได้ทรงสดับมิใช่หรือซึ่งเสียงบรรเลือแห่งราชสีและเสือโครง่ง ทั้งเสียงสัตว์จตุบาทและฝูงนกส่งเสียงคำรามร้องสนั่นเป็นอันเดียวกันต่างก็มุ่งมาเพื่อจะดื่มน้ำอย่างสระนี้บุพนิมิตได้เกิดมีแก่หม่อมฉันผู้กำลังเที่ยวอยู่ในป่าใหญ่เสียมพลัดตกจากมือของหม่อมฉันและกระเช้าที่หาบอยู่ก็พลัดตกจากบ่าทีนั้นหม่อมฉันก็หวาดกลัวเป็นกำลัง จึงกระทำอัญเชลีนอบน้อมทิศทั่วทุกแห่งขอความสวัสดีพึ่งมีแต่ที่นี้ขอพระลูกเจ้าของเราทั้งหลายอย่าได้ถูกราชสีหรือเสือเหลืองเบียดเบียนเลยมีสุนัขป่าหรือเสือดาวอย่ามากล้มกลายพระลูกน้อยทั้งสองของข้าเลยสามสัตว์ร้ายในป่าคือราชสีเสือโคร่งและเสือเหลืองเหล่านั้น ยืนขวางทางหม่อมฉันเหตุนั้นม่อมฉันจึงกลับมาจนเวลาเย็นไปบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเพื่อจะดื่มน้ำอย่างสะนี้เยสรางปาตุงได้แก่สัตว์เหล่าใดมาสู่สะนี้เพื่อดื่มน้ำด้วยคำว่าเสือโคร่งพยักขัสสัจจะพระนางมัซีทูลถามว่า พระองค์ได้ทรงสดับเสียงของเสือโคร่งและสัตว์สี่เท้าอื่นๆมีช้างเป็นต้นและฝูงนกที่ส่งเสียงร้องกึกก้องเป็นอันเดียวกันแล้วมิใช่หรือก็เสียงนั้นได้มีในเวลาที่พระมหาสัตว์พระราชทธานพระโอรสและพระธิดาข้อว่าบุพนิมิตได้เกิดมีอหุบุพนิมิตตังความว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพ บุพนิมิตเพื่อเสวยทุกอันนี้ได้มีแก่หม่อมชั้นแล้วคำว่ากระเชา้าอุคีวังได้แก่กระเช้าที่คล้องอยู่บนบาคำว่าทั่วปุถุงความว่าม่อมชั้นนมสการแต่ละทิศ ท, ทั่วสิบทิศคำว่าของเราทั้งหลายย่ามาเฮวะโนความว่าม่อมชั้นนมสการปรารถนาว่า ขอพระราชบุตรเวสันดรของพวกเราจงอย่าถูกพาละมลึกมีราชสีเป็นต้นค้าขอลูกทั้งสองจงอย่าถูกหมีเป็นต้นแต่ต้องด้วยข้อว่าเหล่านั้นยืนขวางทางหม่อมชั้นเสียเตมังปริยาวรุงมักขังพระนางมัศีกราบทูลว่าข้าแต่พระสวามีหม่อมฉันคิดว่า เราได้เห็นเหตุที่น่ากลัวเหล่านี้เป็นอันมากและเห็นสุบินร้ายวันนี้เราจะกลับมาให้ทันเวลาทีเดียวเห็นต้นไม้ที่ผลิผลเหมือนไม่มีผลต้นไม้ที่ไม่มีผลก็เหมือนผิดผลเก็บพลาผลได้โดยยากไม่อาจมาถึงประตูป่าทั้งราชสีเป็นต้นเหล่านั้นเห็นหม่อมฉันแล้วได้ยืนเรียงกันกั้นทางเสีย เพราะเหตุนั้นมอมฉันจึงมาจนเย็นขอพระองค์ได้โปรดยกโทษแก่มอมฉันเถิดพระเจ้าค่าพระมหาสัตตรัสพระวาจาเท่านี้กับพระนางมัตสีแล้วม่ได้ตรัสอะไรอะไรอีกจนอรุณขึ้นจำเดิมแต่นี้พระนางมัตสีพี่ลาบรำพันมีประการต่างๆ ต, ตรัสว่าตัวเราเป็นชะดินีพรหมจารี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 เชิญพระองค์เสวยพร้อมพระโอรสพระธิดาเถิดขอพระองค์ทรงโปรดประทานดอกปทุมแก่พ่อชาลีส่วนดอกโกมุตขอได้โปรดประทานแก่กันหากุมารีพระองค์จะได้ทอดพระเนตรพระกุมารประดับประดาด้วยดอกไม้โฟนรำอยู่ขอได้โปรดตรัสเรียกสองพระราชบุตรมาเถิดแม่กันหาชินาจะได้มานี่ ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์จงทรงพิจารณาเสียงอันไพเราะอ่อนหวานของแม่กันหาชินาขณะเข้าสู่อาสมเราทั้งสองถูกในประเทศจากเว้นแคว้นเป็นผู้มีสุขและทุกข์เสมอกันเออก็พระองค์ได้ทรงเห็นพระราชบุตรทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาบ้างหรือ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 ความว่าเหมือนอันเตวาสิกผู้สมบูรณ์ด้วยวัดปฏิบัติอาจารย์คําว่ามันปฏิบัติบารุงอนุทิตตาความว่ามัมฉชั้นบํารงคือเป็นผู้ไม่ประมาทปรนิบัติด้วยการบารงบาเรอและด้วยความมันคําว่าเพราะความรักพระลูกทั้งสองตุมหังกามาความว่า ปรารถนาพวกเจ้าด้วยความรักพวกเจ้าพระนางมัสีคร่ำครวญรำพันถึงสองกุมารด้วยคำว่าณนะลูกน้อยปุตตะกาคำว่าขามิ้นสีดังทองสุวรรณหาลิทธังความว่าลูกน้อยเอ๋ยแม่ฝนคือบทขมิ้นซึ่งมีสีเหลืองทองถือมาเพื่อสงสนานเจ้าทั้งสอง คำว่าผลมะตูมสุกสีเหลืองปันดุเวลุวังความว่าแม้ผลมะตูมสุกซึ่งมีสีเหมือนทองนี้แม่ก็นำมาเพื่อให้เจ้าทั้งสองเล่นคําว่าผลไม้สุกรุกขะปักกานิความว่าแม้ผลไมอ้อื่นๆซึ่งเป็นที่ชอบใจแม่ก็ได้นำมาเพื่อให้เจ้าทั้งสองเล่นด้วยคําว่าเหล่านี้ ของลูกรักทั้งสองอิเมโวพระนางมสีกล่าวว่าลูกน้อยเอย๋ยของเหล่านี้เป็นเครื่องเล่นของพวกเจ้าคำว่าเง้าบัวพร้อมทั้งฝักมูลาลิวัตตะกังได้แก่สายบัวคำว่าหน่แห่งอุบลสาลุกังความว่าแม้เง้าบัวมีอุบลเป็นต้นนี้แม่ก็นำมาเป็นอันมาก คำว่ากระจับชินทโรทกังได้แก่กระจับด้วยคำว่าเสวยพุญชะพระนางมาสีคร่ำครวญว่าขอพระองค์โปรดเส ว, วยของนี้ทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยน้ำพึ่งเล็กน้อยพร้อมด้วยพระโอรสธิดาข้อว่าขอได้โปรดตรัสเรียกสองพระราชบุตรมาเถิดสิวิปุตตานิอวัยยหะความว่า ข้าแต่พระเจ้าสิวิราชผู้สวามีขอพระองค์โปรดรีบตรัสเรียกพระโอรสธิดาจากที่บัรทมในบรรณศาลาข้อว่าเออก็พระองค์ได้ทรงเห็นพระราชบุตรอ ป, ปิศีวิปตเตปัตเสสิความว่าข้าแต่พระเจ้าสีวิราชผู้สวามีพระองค์ทอดพระเนตรดูพระโอรสธิดาทั้งสองเถิด ถ้าทรงเห็นก็ทรงโปรดแสดงแก่หม่อมชั้นขอได้โปรดยาให้หม่อมชั้นลำบากนักเลยคำว่าได้สา์แช่งอภิสสิงความว่าหม่อมชั้นได้ด่าเป็นแน่อย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงอย่าพบบุตรธิดาของพวกท่านเลย